ปฏิบัติในในการเคลือ่อมีความคลื่หน้าบ่ะงรู้สึกมันยังอยู่ๆที่เดียวที่เดียวยเพราะว่าปฏิบตาตรน้อยบัไม่มากกำลังคิดกันต่อจะขอดูศพที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะไม่กล้าดูสนะัญไม่กล้าดูกนะ็ตอนแรกไปดูภาพดูดูไม่ค่อยากดูอย่า จะไปดูของจริงนะครับดูเพื่ออะไรกลัวและเบ่อเขาท่าจริงดูเพื่อเพื่อดับความกลัวมากกว่านะเพราพอเรามักจะกลัวความตายกันถ้าเราเห็นของจริงเราก็จะปลงเรียว่าร่างกายในที่สดมันก็ต้อง เกิดแก่ทจพยตายไปเป็นธรรมดาการดูศพนี้ก็มีสองเป้าหมายด้วยกันดูให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราให้เห็นว่ามันเป็นเพียงร่างกายเป็นอาการสามสิบสองเป็นดูเพื่อเตือนสติเตือนใจเป็นปัญญาว่าเราเกิดมาแล้ว ย่งมีความตายไปเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไม่ได้แล้วก็ดูดูความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ดับการมรุมกามรมรมนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีคู่ครองเรามีคู่ครองก็ต้องมีทุกข์ตามมาทุกข์กับคู่ครองทุกข์กับครอบครัวมันเป็นความทุกข์ที่ทวีคูณอยู่คนเดียวมันก็ทุกข์แล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้ต้องมีเพื่อนมีคู่ครองเรามีคู่ครองมันก็ ต้องมาทุกข์กับคู่ครองต้องคอยดูแลห่วงใยกันแล้วก็เวลามีความบาดหมางใจกันก็ทะเลาะกันอยู่แบบสุกสกุทุกทุกสุขบ้างทุกบ้างแล้วเดี๋ยวก็เวลาที่จากกัน ก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วถ้ายังอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ไม่เข็ดเลยเพราะมันอยู่คนเดียวมันทุกข์กว่าอยู่สองคนยามทุกข์แบบสองคนดีกว่าทุกข์แบบคนเดียวทุกคนเดียวนี้รู้สึกว่ามันทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีความสุขเลย ถ้าเราอยากจะอยู่คนเดียวแบบไม่ทุกข์เราก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากอยู่ร่วมกันสองคนก็เวลาอยู่คนเดียวแล้วเกิดความเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องอาศัย การดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายถ้าเรานึกถึงร่างกายของคนตายเราก็คงจะไม่อยากจะไปมีไม่มีอารมณ์กับเขาดังนันเราต้องพยายามระลึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายไม่ว่าจะดู อวัยวะต่างๆภายในก็ได้หรือจะดูตอนที่ร่างกายตายไปแล้วก็ได้เพื่อที่จะได้มาดับกามอารมณ์ที่ทำให้เราทุกข์ทรมานเวลาเกิดกามอารมณ์นี้มันอยู่ไม่เป็นสุขใจมันหงุดหงิดลำคาญวุ่นวาย เราใช้อสุภะคือนึกถึงร่างกายที่ไม่สวยงามร่างกายที่เวลาตายไปแล้วหรือเวลาที่ไม่ได้มีการเสริมสวยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่แก่นึกถึงคนแก่เราจะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่นึกถึงคนเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลหน้าตาเขาจะซีดเซียวไม่น่าดูนี่คือภาพของร่างกายอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่ค่อยชอบมองกันเพราะมันทำให้เราไม่สบายใจที่จะมองความจริงในส่วนที่เราไม่ชอบมองได้ เราต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจเราไม่สงบนี่ตัณหากิเลสนี่มันจะมาสร้างอารมณ์ขดหูพอเราคิดถึงความตายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บนี่ใจมันจะรู้สึกขดหูจะไม่อยากจะคิดพอไม่คิดมันก็เลยลืม ลืมไปว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราทําใจให้สงบให้ให้ได้ก่อนเวลาใจสงบนี้กิเลสตัณหาตัวที่ต่อต้านความจริงนี้จะสบงบระงับตัวลงไปเหมือนกับเวลาที่ หมอจะถอนฟันคนไข้ถ้าไม่ฉีดยาชาเวลาถอนฟันนี้คนไข้จะดิ้นจะจะทำให้ถอนไม่ได้ว่ามันเก็บแต่ถ้าฉีดยาชาแล้วคนไข้เขาก็อยู่เฉยๆถอนฟันได้อย่างสบายหรือเวลาผ่าตัดหมอต้องนมยาคนไข้ก่อน เพื่อให้คนไายนั่งนอนนิ่งๆเฉยๆเพราะเวลาที่ผ่านี้มันจะไม่รู้สึกความเจ็บไม่รับรู้ความเจ็บฉันใดสมาธินี้ก็เป็นเหมือน ก, นการดมยาให้กับใจดมยาให้กับกิเลสให้มันสงบตัวไม่ให้มันต่อต้านเวลาที่ออกจากสมาธิมานี้ ใจยังมีความสงบอยู่แต่ใจคิดได้แล้วก็มาคิดถึงความจริงของร่างกายศึกษาความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นยังไงมันถึงเป็นอนัตตาก็ลองค้นดูในร่างกายดูว่าไม่ไม่มีตัวเราไหมตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมหรืออยู่ตรงขนแล้วอยู่ตรงเล็บแล้วอยู่ตรงฟันอยู่ตรงหนังอยู่ที่เนื้ออยู่ตรงไหนลองค้นดูลองจาแหลกร่างกายออกมาแยกเป็นส่วนๆเอาเอาผมไว้ส่วนหนึ่งเอาขนไว้ส่วนหนึ่งเอาเล็บฟันไว้ส่วนหนึ่ง แล้วถามไปไล่ไปดูเลยว่าตรงไหนเป็นตัวเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันไม่มีตัวเรามันเป็ น, น, เ, ปนเพียงผมขดได้ฝันเป็นเพียงอาการสามสิบสองถ้าเราดูบ่อยๆเข้าเราจะได้รู้ว่าตัวเราคือผู้ดูนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ศึกษาร่างกายเป็นเหมือนกับนักศึกษาแพทย์ที่ เวลาศึกษาสรีระของร่างกายอนาทอมีร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเจ้าของของร่างกายที่เราศึกษานั้นเขาทิ้งร่างกายไปแล้วร่างกายนี้ครั้งหนึ่งก็มีเจ้าของแต่เวลาที่ตายไปนี่เจ้าของเขาก็ทิ้งมันไปเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ที่พังแล้วเจ้าของก็ทิ้งมันช่าง หรือพวกที่มามาชำแหละรถยนต์เอาชิ้นส่วนต่างๆออกไปขายไม่มีเจ้าของอยู่ในรถยนต์เจ้าของคือคนขับรถนั่นเขาไปแล้วก็ไปหารถใหม่ไปซื้อรถใหม่รถเก่าเขาขายทิ้งไปแล้วให้เราพิจารณางี้เพื่อเราจะได้เห็น อย่างชัดเจนว่าคนที่ดูกับร่างกายนี้เป็นคนบางคนงคนที่พิจารณาร่างกายผู้ที่พิจารณาร่างกายคือผู้รู้ผู้คิดแม้แต่ผู้รู้เนี่แหละเป็นผู้ที่คิดดูคิดว่าดูว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือเปล่าผู้รู้นี่มันไม่มีตัวตนใจนี่มันไม่มีรูปร่าง ใจมันเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนมันไม่มีรูปร่างแต่มันมีความคิดมีความรู้มันเป็นผู้มาครอบครองร่างกายอันนี้แล้วก็สั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆถ้าใจไม่คิดไม่สั่งร่างกายทำอะไรไม่ได้อย่างวันนี้จะมาที่นี่ได้ต้องมีความคิดขึ้นมาก่อนคิดว่าจะมาที่นี่ พอคิดแล้วก็สั่งไปที่วาจาให้ชวนเพื่อนฝูงชวนคนนั้นคนนี้มาพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาถ้าเกิดร่างกายไม่มีคนสั่งเช่นคนสั่งแยกออกจากร่างกายร่างกายตายไปคนสั่งไปที่อื่นนะ้ร่างกายก็จะไม่สามารถ มาที่นี่ได้ด้วยตนเองนี่คือการพิจารณาความจริงต้องทำตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วตอนที่ยังไม่มีสมาธิจิตใจมันจะมีกิเลสตัณหาที่จะคอยต่อต้านจะไม่อยากดูความจริงกิเลสชอบดู ด้านด้านบวกไม่ชอบดูด้านลบคนที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาจึงมักคิดว่าศาสนาพวกนี้เป็นเป็นศาสนาที่มองโลกในแงล่ลบแต่ความจริงการมองโลกในแง่ลบนี้เพื่อที่จะมาต้านความหลงที่มองแต่โลกในด้านบวกในแง่บวกเพราะโลกนี้มันมีทั้งบวกมันมีทั้งลบ มีทั้งเจริญมีทั้งเสื่อมมีทั้งเกิดมีทั้งตายแต่พอไม่ยอมมองความจริงมองแต่ด้านบวกพอเจอด้านลบก็เลยรับไม่ได้ทุกทรมานใจแล้วพยายามหนีความจริงอยู่เรื่อยๆไม่ยอมเผิญหน้ากับความจริงกลัวความจริง ใจก็เลยอยู่อย่างมีความหวาดกลัวตลอดเวลากลัวจะเจอความจริงเวลาไม่สบายนี่กลัวแล้วไปหาหมอนี่กลัวแล้วว่าจะเป็นอะไรกันแน่เป็นโรคอะไรหรือเปล่ารักษาได้หรือเปล่าแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจเรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วมันต้องเจอแน่ๆโรคต่างๆ แล้วมันก็มีอยู่สามโรคสามชนิดด้วยกันโรคชนิดแรกก็คือเป็นร้าหายเองไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาก็ได้เช่นเป็นหวัดอย่างนี้พักผ่อนหลับนอนสักสามสี่วันมันก็หายเองได้โรคชนิดสองก็เป็นโรคที่พอเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย ถ้าไม่รักษามันก็เร้อรังมันไม่ยอมหายของมันเองอันนี้ก็ต้องไปหาหมอถ้าอยากจะหายแล้วก็จะโรคชนิดที่สามก็คือดพอเป็นแล้วก็รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่รอความตายเท่านั้นอันนี้เป็นโรคที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอโรคที่สามนี่ ชนิดที่สามดังั้นคนที่เป็นเจ้าของร่างกายถ้าศึกษาไว้เรื่อยๆว่ามันจะต้องเจ อ, อะจะได้เตรียมตัวเตรียมใจทำใจได้แล้วจะไม่ทุกเวลาที่จะต้องเสียร่างกายนี้ไปไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะไม่ไม่เสียร่างกายนี้ทุกทุกคนเกิดมาแล้วได้ร่างกายมานี้แล้วจะต้องเสียมันไป พราะมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่เป็นของเราเป็นเหมือนเราไปเช่าเขามาสมัยนี้เวลาเราต้องการใช้รถยนต์เราสามารถไปเช่าได้เช่นเดินทางไปต่างประเทศไปถึงสนามบินก็เช่ารถยนต์แล้วก็รถยนต์ขับไปไหนมาไหนพอถึงเวลาเราจะกลับบ้านเราก็เอาไปคืนที่สนามบินแล้วเราก็ขึ้นเครื่องไป รถก็ทิ้งมันไว้อยู่ที่นั่นร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถเนี่ยสนามบินก็คือท้องแม่เนี่ยพอเราเกิดออกมาพอไปถึงพอเรามาเราอยากจะมาเที่ยวโลกนี้เราก็ต้องไปที่สนามบินไปลงสนามบินก็ไปลงที่ท้องแม่ท้องแม่แล้วก็เช่ารถของแม่ออกเช่าร่างกายของแม่ออกมาแล้วก็พาร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆนานา พอถึงเวลาที่เราจะละโลกนี้ไปเราก็ทิ้งมันทิ้งร่างกายไปเราก็ไปโลกใหม่อยากจะไปสวรรค์นะเราก็ทำบุญเยอะๆเหมือนเราอยากจะไปเมืองนอกเหรอเราก็เก็บเงินไว้เยอะๆหาเงินจะได้มีเงินจ่ายค่าเครื่องบินอจ่ายค่าโรงแรมค่าอะไรต่างๆ พอถึงเวลาเราก็ขึ้นเครื่องไปเเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ทาบุญกันไว้พอถึงเวลาที่จะขึ้นเครื่องเราก็ทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วเราก็ไปสวรรค์การสวรรค์ก็มีสวรรค์แบบไปแล้วกลับกลับไปแล้วไม่กลับสวรรค์ที่ไปแล้วกลับเราเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหม ไปเป็นเทพไปเป็นพรมพอเงินหมดแล้วก็ต้องกลับมาหาเงินใหม่กลับมาสู่โลกมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะไปแล้วไม่กลับก็ไปสวรรค์ชั้นนิพพานเนี่ยเป็นสวรรค์ชั้นพระพุทธเจ้าไปกันชั้นพระอาหารหันตสาวกไปกันสวรรค์ชั้นนี้ต้องต้องทําบุญมากเต็มที่เลย ต้องทำทั้งทานต้องทำทั้งศีลต้องทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญาปัญญาก็เนี่ยศึกษาความจริงของร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่ไปหลงไปอยากมีร่างกายจะนัยเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันไม่ใช่ตัวเรา มันมาจากดินน้ำลมไฟมันไม่สวยไม่งามเวลาเห็นรูปร่างของใครหน้าตาสวยงามคิดถึงเวลาที่เขาตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ล้างหน้าล้างตาดูผมเผ้ายัางไม่ได้หวีหรือคิดถึงเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงที่เวลาเขาแก่เวลาที่หนังเหี่ยวยน่นหรือคิดถึงเวลาที่เขาตาย ตายสามวันตายห้าวันขึ้นอื่นพองขึ้นมาหรืออะไรต่างๆถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่อยากจะมีร่างกายไม่อยากจะมีคู่ครองก็ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาห่วงมาห่วงแล้วไม่ต้องกลับมาหาคู่ครองอยู่เรื่อยๆถ้ายังอยากมีคู่ครองอยู่ ถ้าคู่ครองคนนี้ตายไปเดี๋ยวก็หาคนใหม่มาแทนหามากี่คนมันก็ต้องมีการตายจากกันไปในที่สุดอยากกันไปแล้วยังไม่พอตายแล้วก็อยากจะกลับมาหาใหม่ก็กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ยังงยากจะกลับมาเที่ยวโลกมนุษย์นี่อยู่ก็กลับมาเกิดใหม่มาแกมาเจ็บมาตายใหม่อีกรอบทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้ว แล้วก็จะทำย่านี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ดึงใจให้กลับมาหาสิ่งต่างๆดึงใจให้กลับมาหาร่างกายมาหาความแก่มาหาความเจ็บมาหาความตายมาหาความทุกข์ง น, นก่อนที่จะ เจริญปัญญาได้ศึกษาความจริงได้ต้องทําใจให้สงบก่อนต้องวางยาสลบให้กับกิเลสตัณหาก่อนไม่ฉะนั้นกิเลสตัณหามันจะต่อต้านจะไม่ยอมให้เราคิดสังเกตดูเนี่ยวันวันหนึ่งเราเคยคิดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายกันไหมเราเคยคิดถึงอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายไหมเคยดูภายใน ร่างกายบ้างไหมใต้ผิวหนังใต้เนื้อนี่มีอะไรบ้างเคยเห็นหัวใจปอดตับนำไส้กระเพาะเห็นสมองเห็นกระโหลกเห็นโครงกระดูกางมเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายของทุกนุกคนแต่มองไม่เห็นกันไม่มองกันไม่อยากมองเวลาหนังมันเหี่ยวบ้างเป็นยังไงเวลาหนังมัน ถูกไฟไหม้บ้างเป็นยังไงหนังเวลานี้ไฟถ้าไฟมันไหม้ขึ้นมานี้ทำาไงมันน่าดูไหมคิดอย่างนี้จะคิดได้ก็ต่อเมื่อใจมีความสงบถ้าไม่สงบนี่กิเลสมันจะดึงความคิดไปในทางสวยๆงามๆเนี้ยหนังสือแมกกซีนแฟชั่นนี่ไม่ต้องบังคับเลยไปซื้อกันมาดูกันได้ แต่พอให้ไปดูหนังสือไปดูอสุภาษณนี้ต้องตั้งหลักต้องตั้งใจต้องบังคับจริงๆ <c oughs> ถึงจะไปเปิดดูกันหนังสือ anatomy เนี่ยเปิดดูไม่ค่อยเปิดดูนะ <c oughs> ต้องดูบ่อยๆดูจนกระทั่งมันจำขึ้นใจเวลาเห็นคนสวยคนต่อจะได้นึกถึง anatomy ของเขานึกถึงตับไตไส้พุงของเขา น, น, นิดถึงนึกถึงอุจจาระปัสศวะของเขาได้เห็นส่วนเหล่า น, นี้แล้วมันจะทำให้การอารมณ์หดลงไปเวลาไม่มีการมารมณ์อยู่เฉยสบายเวลามีการมารมณ์นี่อยู่เฉยเฉยไม่ได้หดเหยียดลำคาใจดง <c oughs> นั้นก่อนที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้มองความจริงได้ มองความจริงที่ใจไม่อยากจะมองที่กิลเลสไม่ชอบให้มองต้องวางยาสลบให้กับกิลเลสก่อนยาสลบก็คือสมาธินี่วิธีจะฉีดยาสลบก็ใช้พุทโธพุทโธฉีดชอบไปท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงอะไรทั้งนั้นให้ใจอยู่กับพุทโธแล้วจะ ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องของกรารอารมณ์ได้เรื่องของความอยากต่างๆได้ความอยากนี่มันเกิดจากความคิดมันตะมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือพอคิดถึงขนมเี่ก็อยากจะกินแล้วพอคิดถึงเครื่องดื่กกมพพยนยนก็อยากจะดื่มขึ้นมาแล้วพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูพอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปแล้ว เขาถึงพยายามล่อใจของเราเห็นไหมสื่อโฆษณาต่างๆนี่มีแต่ภาพล่อใจเราสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารน่ารับประทานเครื่องดื่มน่ารับน่าดื่มคนน้าน่ารักน่ามีไว้มาเป็นครอบครัว เวลาถ่ายภาพครอบครัวนี้จะเอาแต่คนหน้าตาดีๆเด็กดีๆน่ารักมาให้ดูเห็นแล้วก็มหมอยากจะมีครอบครัวแล้วกันอยากจะมีสามีอยากมีภรรยาอยากจะมีลูกไม่ดูตอนที่บันล้องไห้งองแงไม่ดูตอนที่สามีภรรยาทะเลาะกันไม่เอาลูกความจริงมาอีกด้านหนึ่งมาโชว์กันมาโฆษณากัน เวลาโฆษณาสินค้านี่โอ้โหเหมือนกับโลกนี้เป็นโลกโลกสวรรค์มีแต่ความสุขทุกคนล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยเอารูปของคนตายมาให้ดูเวลาคนตายนี่ต้องเบลอมันต้องลบมันไม่ให้มองหาว่าอุจจาตา มันกลายเป็นของไม่ดีของไม่น่าดูไปในโลกของกิเลสพอธรรมะมาสอนให้ดูความจริงก็เลยกลายเป็นหาว่าเป็นพวกวิตฐฐานไปพวกที่ปฏิบัติทำชอบดูสร้างศพชอบดูผ่าศพนี่คนที่ไม่ได้ศึกษาก็ว่าพวกนี้พวกวิตฐฐานดูมันไปทําไม ดูให้มันเห็นความจริงเพื่อมันจะได้ยอมรับความจริงแล้วมันจะได้ไม่หวาดกลัวกับความจริงเวลาเกิดความจริงขึ้นมามันจะไม่ทุกข์เนี่ยเราพูดถึงความตายพูดถึงการพัดผ้าจากกันตอนนี้มันยังเหมือนมันไม่เป็นความจริงแต่ลองเสียคนที่รักไปดูสิแล้วดูว่าจิตใจจะ เป็นเหมือนกับตอนที่คิดดู้ไหมตอนนี้คิดว่าคนเราต้องจากกันเนี้ยใจเราเป็นยังไงก็เฉยเฉยใช่ไมไม่เห็นรู้สึกเดือดร้อนเลยรู้ว่าจะจากกันพอจากกันเย็นๆดูเลยใจนี้มันเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยเมื่อสองวันก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียพี่ชายไปพี่ชายอายุเจ็ดสิบกว่าตัวก็ห้าสิบกว่าหกสิบกว่า บอตอนนี้ใจไม่ตัวจิตใจไม่ดีเลยจิตใจซึมเศร้าทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าจะต้องจากกันแต่พอมันจากกันจริงๆนี่มันเป็นคนละเรื่องเลยอย่างที่เราคุยกันนี่มันเป็นเหมือนทฤษฎีเรายังไม่ได้เปิดเจอของจริงอย่างที่โบราณก็ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น ให้เราพูดไปปากเปียกปากฉีกไมันก็เฉยเฉยไม่รู้สึกเดือดร้อนตายก็ตายสิจากกันก็จากกันสิพอไปเจอของจริงเข้านี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ ล, ลองไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเหลือสามเดือนอยู่ยดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังตอนนี้หรือไม่ตอนนี้ฟังเฉยสามเดือนแล้วสามเดือนก็สามเดือน ต้องไปหาหมอให้หมอก็ยืนยันว่าจริงสามเดือนนล้วั่นเราต้องพยายามผลิตความจริงให้ความรู้สึกความเป็นจริงขึ้นมาในใจเราให้ได้ถ้าเห็นว่ามันจริงเป็นจังเนี้ยมันจะได้กลัวมันจะได้จะได้เตรียมตัวแก้ปัญหาต้องทำให้มันไม่กลัวให้ได้เพราะว่าความจริงแล้วร่างกายมันไม่ใช่เป็นเรา ร่างกายมันตายแต่เราไม่ได้ตายแต่เราทำไมไปกลัวแทนร่างกายทำไมร่างกายมันเหมือนรถยนต์รถยนต์มันพังคนขับมันไม่ได้พังไปกับรถยนต์คนขับไปกลัวมันทำไมคนขับเพราะคนขับไม่รู้คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ถ้ารถยนต์ตายไปคนขับคิดว่าตนเองตายไปด้วยเราต้องมองให้เห็นว่าเรากับร่างกายนี้เหมือนกับคนขับกับรถยนต์ คนละคนกันคนละส่วนกันร่างกายตายไปก็ตายไปสิคนขับไม่ตายไปกลัวทําไมนี่แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อแยกใจให้ออกจากร่างกายให้ได้เพื่อให้ปล่อยวางร่างกายไม่ให้เดือดร้อนกับการเป็นไปของร่างกายมันต้องเป็นเนี่ยข้อสอบมันเขาออกมาแล้วอยากจะสอบเอ็นทันไป พระนิพพานเนี่ยก็ต้องทำข้อสอบเหล่านี้ต้องทำข้อสอบคือความแก่ความเจ็บความตายความแก่รับมันได้ไหมความเจ็บเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจเฉยๆได้ไหมไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนได้เปล่ามันจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็เฉยๆเวลามันจะตายก็เฉยๆได้เปล่า ฉเฉยๆเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายรู้สึกเราเฉยกันได้ไม่เดือดร้อนกัดงูมันตกลงมาจากหลังคาเนี่มันดูแลจะจ ะ, จะนั่งเฉยๆได้ป่าอย่าว่าแต่งูบางที่ตุกแกลงมาแค่นี้ก็กระโจนกันแล้วเนีย่ยเราไม่เข้าไปถึงความจริงต้องพยายามผลิต ความจริงขึ้นมาคอยคิดอยู่เรื่อยๆแล้วซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมรับกับความจริงแล้วก็ไปหาห้องสอบไปเข้าห้องสอบกันไปอยู่ป่าช้าดูสักวันนึสักคืนนึงไปคนเดียวไปก็อยู่ใกล้ๆกับความจริงดูดูซิว่าคนตายมันจะลุกขึ้นมามาหลอกเราได้เปะ่ะหรือใครหลอกเราแน่คนตายมันก็อยู่ตรงนั้นต้องนมนานละ ไม่เห็นมันมาหลอกเราเลยพอเราไปอยู่ใกล้ๆมันขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเราอยู่ใกล้ความจริงแล้วมันถึงมันถึงจะเกิดความรู้สึกจริงขึ้นมาหรือไปที่โรงพยาบาลไปนั่งสมาธิที่ห้องดับจิต ด, ดูก็ ไ, ได้นั่งห้องที่เขาเก็บศพเนะ่ะไม่ต้องเห็นศพหรอกเขาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ไปนั่งสมาธิทั้นคนเดียวดูดนะจะนั่งได้ปะ อ่าศพเขาเขามีร่างกายเขากับร่างกายเราก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันตรงไหนต่างตรงที่เขาไม่หายใจร่างกายเราหายใจแล้วมีเราคอยคุมอยู่แต่ร่างกายเขานั้นไม่มีใครคุมแล้วไม่มีเจ้าของไม่หายใจแล้วอบใช้ปัญญาเวลาเกิดความกลัวก็เปรียบเทียบเลยไอ้ร่างกายที่เรากลัวกับร่างกายที่เราไม่กลัวนี่มันต่างกันตรงไหน มันมีผมเราก็มีผมมันมีขนเราก็มีขนมันมีเล็บเราก็มีเล็บมันมีฟันเราก็มีฟันเ้ากลัวอะไรมันมีอะไรเราก็มีอยู่แล้วเราอยู่กับสิ่งที่เรากลัวหรือทำไมเราไม่กลัวผมของเราทำไมไปกลัวผมของคนตายใช้ปัญญาแก้สิพิจารณามันต้องเข้าไปอยู่ใกล้ของจริงให้เกิดความจริงขึ้นมาให้เกิดความกลัวขึ้นมา แล้วใช้ปัญญามาสอนด้วยเหตุด้วยผลเปรียบเทียบกันดู <c oughs> ทุกสัตว์ทุกส่วนเหมือนกันหมดเขามีอะไรเราก็มีอย่างนั้นอย่างสมัยครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติในป่าท่านก็กลัวเสือกันท่านก็ท่านก็วัดเสือกับตัวท่านเหมือนกันเสือมันมีขนเราก็มีขนเสือมันมีเล็บเราก็มีเล็บเสือมันมีเขี้ยวเราก็มีฟัน เดีมันมีหนังเราก็มีหนังถ้าลอกไล่ไปได้มามีอย่างเดียวที่มันมีเราไม่มีมันมีหางเราไม่มีหางเรากลัวหางมันเ่นกลัวควาดตายเลยแล้วเราไม่ตายเลยถ้ามันจะมากัดเราเนี่เราไปห้ามมันได้เป่าเวลามาเ็งมันมากินเราเราไปห้ามมันได้ปเป่ามาเ็งนี่มันก็เสือดีๆนี่ พิจานณาสิพิจารณาเรื่อยๆแล้วมันจะได้หายกลัวหายทุกข์กับร่างกายพอมันปลงได้พะที่มันกลัวเพราะมันหวงมันรักมันคิดว่าตัวเองจะตายไปกับร่างกายเมื่อพิจารณาจนยอมจนจนมุมด้วยด้วยความจริงยอมเผืนความจริงไม่ได้สู้ความจริงไม่ได้รักยังไงหวงยังไงมันก็ต้องตายถ้าไม่หวงมันไม่ทุกข์ ถ้าหวงแล้วมันทุกข์ล้วไปหวงมันทําไมถึงเวลาจะตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองถ้ายังไม่ตายก็อยู่ต่อไปแต่ไม่ทุกข์กับมันขณะที่อยู่ก็ไม่ทุกข์ใจปล่อยวางได้ปล่อยร่างกายได้พราะเห็นนะชัดเจนว่ามันกับเราเปนคนละคนกัน มันเป็นเหมือนรถเช่าเราไปเช่าเขามาเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องคื น, นรถที่คืนรถก็คือที่วัดที่สุสานเนี่ยเป็นที่คืนรถร่างกายร่างกายของเรานี่ต่อให้รักคนรักเราขนาดไหนตายไปเขาก็ไม่เก็บเราไว้หรอกเชื่อไหมเขาก็ยกให้สับไปรเลยหรือยกให้ลงพยาบาล ถ้าเขียนบินายกรรมไม้ว่าจะยกร่างกายนี้ให้โรงพยาบาลเขาก็ส่งไปให้โรงพยาบาลแต่ไม่เขียนบินัยกรรมเขาก็ส่งไปที่วัดแต่สิ่งที่เาเก็บไว้ก็คือสมบัติของเราเนี่ยเขาไม่ให้ใครหรอกสมบัติเขานี่ยินดีเขารักสมบัติเรามากยิ่งกว่าเขารักร่างกายของเราร่างกายของเรานี้ไม่มีคุณประโยชน์สําหรับเขาะแต่สมบัติที่เราหามาถ้าเป็นท่าตายนี่โอ้ยเขาแย่งกัน จะตีกันนัวเนีย่ยไปหมดเวลาตายแล้วเวลาเราตายไปแล้วเขาไม่รักเราจริงเขารักสมบัติเรามากกว่าร่างกายตายไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับใครนอกจากสรเ์เสริญกับวัดวัดมีรายได้สบมาแล้วพระได้สวดกุศลแล้วรายได้ของพระก็คือการสวดศพสมัยนี้ คือการศึกษาร่างกายให้เข้าให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ลงไปเรื่อยมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีสามชนิดโรคสามชนิดชนิดที่เป็นแล้วหายไม่ต้องรักษาก็หายชนิดที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงยะหายแล้วชนิดที่สามเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายยังไไปรักษาให้มันเสียเงินเสียทองทไม คนที่จะตายหมอก็ไม่รักษาอยู่แล้วแต่ก็พยายามประวิงเวลาไว้เองก็จะเอาเงินคนไข้ครที่หมอสมัยนี้ที่ก็พยายามรักษากันสุดเหวี่ยงก็เพื่อที่จะเอาเงินคนไข้ถ้ารักษาฟรีหมอจะรักษาไหมถ้าไม่มีเงินเขาไม่เขาไม่รักษาแล้วก็าบอกให้กลับไปบ้านอืถ้าเราศึกษาความจริงแล้วเราจะได้ไม่โง่ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษา ถึงเวลารู้แล้วมันรักษาไม่หายก็เตรียมตัวเตรียมใจดีกว่าอฝ่ายมันไปไม่ไม่ต้องทรมานมากผ่าตรงนั้นทีผ่าตรงนี้ทีผ่ากันไม่รู้กี่รอบครูบาอาจารย์ท่านถึงมากแค่ไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลกันเวลาท่านป่วยนักท่านใจถ้าไม่ป่วยแล้วท่านรู้ว่าร่างกายมันรักษาไม่หายท่านไม่มีความอยากที่จะรักษาเหมือน ท่านที่เกียรไปทรมานกับร่างกายปล่อยให้มันดึกไปเองอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันหยุดหายใจไม่ได้กให้มันหยุดหายใจไปเองไม่ต้องเอาเครื่องหายใจมาช่วยหายใจไม่ต้องเอาหัวไอเครื่องเครื่องหัวใจมาทํางานแทนหัวใจไม่ต้องเอาปอดมาแทนอยู่แบบนั้นมันอยู่แบบไหนลนะ่ะอยู่แล้วมันทําอะไรได้เป่า อยู่เพื่อจะได้ให้เราทรมานให้คนข้างเคียงทรมานกันไปนานขึ้นไอ้พวกที่อยากจะให้ตายก็บอกเอเมื่อไหร่มันจะตายสักทีไอ้พวกที่ไม่อยากให้ตายก็โอ้ทุกอยู่นั่นหรอแตถ้าเราศึกษาเห็นความจริงแล้วมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจอโรคที่สาม น, นี้เจอโรคที่ชนิดที่รักษาไม่หายจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการรักษา รักษาไปตามอาการก็พอฉีดยากินยาไม่ต้องไปผ่าไปตัดมันถ้าผ่าแล้วมไม่หายก็อย่าไปผ่ามันในที่ส่วนมันก็ต้องตายไปนี่คืออนิจจังการสองให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาพิจารณาสุภาเนี่ยร่างกายมีข้อสอบอยู่สี่ข้ออนิจจังไม่เที่ยง มันสุขก็มันทุกข์กันแน่ร่างกายร่างกายมันให้ความสุขกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนมันให้เราห้าสิบห้าสิบให้สุขห้าสิบให้ทุกข์ห้าสิบเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่ามันสุขก็ไม่สุขอ่ะเพียงแตมันไม่ทุกข์เท่านั้นเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มาทุกข์กับการต้องกินข้าวอาบน้ําอาบท่าร่างหน้าแปรงฟันมันก็ทุกข์อีกแบบนึ่ง จะให้เห็นทุกในร่างกายเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเห็นการไม่มีตัวตนในร่างกายร่างกายทั้งร่างกายมีเพียงอาการสามสิบสองผมขอนเล่นฟันดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟแท้ๆลมที่หายเข้าไปนี่นก็ลมล้น้ำที่ดื่มเข้าไปก็น้ำแล้วดินก็คือข้าวข้าวมันมาจากไหนผักมันมาจากไหนเนื้อสัตว์ต่างๆมันมาจากไหน มันก็มาจากดินนั่แนแะ่ละกินเข้าไปแล้วมันก็มาเสริมอาการสา32 ท, ทาให้ผมยาวขึ้นไปทำให้ฟันงอกออกมาทำให้ขนยาวขึ้นเล็บยาวขึ้นทำให้หัวใจมีกำลังที่จะทำงานทำให้ปอดเนี่ยไปเสริมส่วนต่างๆที่มันเสื่อมหลังจากของอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ถ่ายออกมา ส่วนที่ร่างกายไม่ใช้มันก็ถ่ายออกมามันก็กลายเป็นดินไปลองไปถ่ายในป่าดูเนี่ยมันก็เดี๋ยวทิ้งไปต้สามสี่วันมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดินมปนี่แหละคือร่างกายมันก็แค่ดินน้ำหลุมไฟแก่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอสุภะไม่สวยไม่งามดูตอนที่โกนศีรษะดูมันสวยไหม ถ้าคิว่าคนสวยจริงๆแน่จริงลองโกนศรีรษะดูเลยเอดูเสื้อจะสวยไหมคนหล่อขนาดไหนลองโกนศรีรษะไปท้านางวางังนางงามจักรวาลเลยไปท้าพวกดาราภาพยนตร์ทั้งหลายเธอแน่จริงเธอโกนสีสันอย่างฉันดูเลยเอแล้วดูเธอว่าเธอหน้าดูจริงๆเหอเปล่าอันนี้คือการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ สภาพความเป็นจริงของร่างกายเมื่อเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปรักไปหวงเพราะมันหวงไม่ได้มันในที่สุดมันต้องเปลี่ยนไปจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการย้อมผมอยู่เดื่อยเดี๋ยวผมก็งอกร์นะ ก, ก็ต้องย้อมมันย้อมไม่ได้กี่วันก็ต้องย้อมใหม่เดี๋ยวหนังก็เหี่ยวก็ต้องไปดึงกันอีกเดี๋ยวให้มันตึงกันดึงกี่วันเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอีก ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับร่างกายจะไม่ต้องมาหวาดกลัวกลัวกลัวความตายกันกลัวยังไงถึงเวลามันก็ตายต่อให้อยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในห้องนิรภัยมันก็ตายอยู่ใน้องนิรภัยนี่ตายก่อนเสวยด้สามใบเพราะไม่มีลมหายใจเราไปอยู่ในห้องนิรภัยดูสักพักหนึงไม่มีลมหายใจมันแบบธรรมดาอย่างนี้ดีกว่า อยู่แบบพระเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กับความตายอยู่กับสิงสาราสัตว์มันจะได้โปรงอยู่เรื่อยๆจะได้มีอะไรคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้วเนี่ยเวลาเดินมันก็ได้ระมัดระวังมีสติขึ้นมาเวลาเดินไปไหนนี่มันต้องคอยดูข้างหน้าข้างหลังอยู่เรื่อยมีงูหรือเปล่ า, ามีอะไรหรือเปล่ า, าเนี่ยความระมัดระวังนี้ทําให้เกิดสติพอมีสติก็จะควบคุมใจได้ควบคุมใจไม่ให้กลัวได้ ควบคุมใจไม่ให้ทุกได้คือหลักการของการปฏิบัติที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำตลอดเวลามันถึงจะได้ผลเพราะความหลงมันทำงานตลอดเวลามันหลอกเราตลอดเวลาว่าอันนี้เป็นของเราอันนั้นเป็นของเราอันนั้นสวยอนี่งามแต่เรานานๆานจะชักดาบมาสู้มันสักครั้งหนึ่งนานๆจะนึกถึงอันนี้จังสักครั้ง นันจะนึกถึงอสุภะสักครั้งหนึ่งมันก็เลยสู้มันไม่ได้มันก็เลยจับเรามัดไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเนะพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจแทนที่จะมาความสุขโดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือใช้สติ มาอยู่เปรกวิเวกมาเจริญสติมาทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนที่ยังต้องยึดติด ก, กับร่างกายก็เพราะว่าร่างกายเป็นเหมือนลมหายใจของใจนั่นเองเหมือนกับว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วนี่มันจะไม่มีลมหายใจมันจะตายแต่พอเรานั่งสมาธิได้เจริญสติได้ใจสงบได้ เราก็มีวิธีหายใจแบบใหม่วิธีหายใจแบบไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติแทนใช้ธรรมะแทนใช้สมาธิใช้ปัญญาแทนอันนี้ดีกว่าเพราะมันไม่ตายสติไม่มีวันตายสมาธิไม่มีวันตายปัญญาไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเก็บรับใช้เราได้ตลอดเวลา ส่วนร่างกายนี้รับใช้ได้ชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดสภาพไปไปดูคนแก่ดูคนแก่เดินเหินไปไหนลำบากทำอะไรก็ทำไม่ได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ลูกหลานก็ต้องวสาซื้อรถเข็นมาให้นั่งไปเพราะเห็นอยู่บ้านก็หงดดหงิดําคาลใจซึมเศร้าก็อยากจะให้เบิกบาน พานั่งรถเที่ยว อ, ออกไปตามสถานที่ต่างๆเพรก็ยังมีความอยากอยู่ถ้าไม่ถ้ามีความสงบมีความสุขภายในใจก็ไม่ต้องอยากไปไหนหลวงปู่หลวงตาท่านไม่ไปไหนกันนท่านอยู่ในวัดเนี่ยท่านภาวนาพุทธโธพุทธโธสบายกว่าไม่ต้องเลื่อนวุ่นวายเดือดร้อนไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องอาศัยใคร อาศัยสติสมาธิปัญญาแท่นี้สามตัวนี้พอแล้วเพื่อนแท้เพื่อนแท้ของใจก็คือสติสมา ธ, มาธิปัญญานี่ถ้ามีแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวไว้เพราะต่อไปร่างกายที่เราอาศัยเป็นลมหายใจนี้มันจะใช้มันไม่ได้เราต้องมีสามเปลื่อนี้มีสติมีสมา ธ, มมาธิมีปัญญามารับใช้เรา เราต้องพยายามผลักมันขึ้นมาฝึกเจรานสติตั้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้คิดให้พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาให้จิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วจะมีความสุขไม่ต้องไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไม่ต้องไปนอนหลับกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าต่อไปนี้จะไม่อาศัยร่างกายจะไม่สอาศัยอะไรต่างๆให้ความสุขอีกต่อไปอ ย, ไอยากจะได้นู่นอยากจะหน้านี่ก็ไม่เอาเพราะมันเป็นความสุขปลอมความสุขเดียวๆเอาความสุขแท้ดีกว่าเอาสุขแท้ก็คืออยู่ในสมาธิอยู่ด้วยสตินท่านี้พอแล้วพอใจไม่อยากได้อะไรก็จบสบาย ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆตีงๆต่อไปแล้วเ น, ะนะ point. อะหายพอนยาถาวาหรือวาหาปุราป า, ห า, หาริอปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสนิจจโต สัเโปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตวายสุขีทีขายุโกภวะ อาภีวาทนสีลิตสะนิจยางุทธาปจายโนจตารโรธร ม, มาว า, านติอายุวันโนสุขังภาลาง ถ้าต้องการทั้งสืออะไรก็หยิบได้นะทั้งสือซีรี Deep, very, very deep. But my mind went very, very quiet. And I thought, this is really, really good. so the next day when I woke up, I was, honestly, I was in a really, really, really mood. And I, I thought to myself, after Kalisa found out that I'm starting to meditate, and it like, a t t a c k e d me a little bit more, because that's what it felt like. r i g h t anyway. After you meditate?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 So. I've experienced never that before, you o know. k When w you feel bad, just why don't you meditate? Well, I did. I mm -hmm. did. So we w only like that for a, maybe an hour. That's all. Maybe two hours, and, mm -hmm. and then we're okay because I went meditating o again, and e v e r s t h yeah. i n g was i n d You just have to keep on meditating yeah. because your mind is constantly agitating itself. Yeah. yeah. So you need a tranquilizer yeah. to calm your mind. Mm. Yeah. Meditation is the best form of tranquilizer. Mm -hmm. Because you can always have it. If you buy the tranquilizer, it has side effect, and it, and sometime when you cannot have it, then you you could be in trouble. Mm -hmm. But if you can meditate, then you can always calm your mind. Mm -hmm. It only h l p o u for, like I said, a very short time, and then mm -hmm. I a u y it, and I thought to myself, I wonder if, if the police is. As found out that I started to quiet my mind o w n and, and yeah. maybe attacking me a little bit more. It well, your kile is always a attacking you, see. But most of the time you don't know it because you let it that's do what it wants yeah, to do. That's what I mean. Maybe. But you only see the trouble when you resist, you, when you don't do what it it asks you that's to do. It, yeah. See. I think that's what. I think that's what. Kile, tangan la. Kile, ni la. กิเลสแล้วทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่ธรรมะที่เราใช้ดักกิเลสนี่เรานานๆจะกินทักครั้งเหมือนกินยานานๆจะกินทักคนนโรคมันก็เลยไม่หายไข้มันไม่หายเพราะเราไม่กินอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเรากินอย่างต่อเ น, นื่องไข่ต่างๆก็จะหายไปเอาไม่กิเลสมันอยู่ในใจเราไม่ต้องไปแผลมันหรอกกิเลสมันไม่ใช่เป็นตัวตนมันเป็น มันเป็นความคิดที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นความคิดที่สร้างความทุกข์ให้กับเราอยากให้ได้อยากได้นู่นได้นี่มันก็ทําให้เราวุ่นว า, ายใจละอยู่ไม่เป็นสุขแล้ะถ้าไม่มีความอยากก็อยู่เฉยๆได้อย่างตอนนี้ไม่มีความอยากก็นั่งเฉยๆคุยกันได้ถ้าเกิดอยากจะสูบบุหรี่นี่นั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องลุกขึ้นไปหาบุหรี่สูบก็ต้องหยุดมันอย่าไปทําตามมันเวลาสู้กับมันก็จะทุกข์หน่อย แต่พอมันยอมแพ้แล้วมันก็จะไม่มายุ่งกับเรามันก็จะไม่มาสร้างความอยากสูบบุหรี่ต่อไปอยากอะไรก็ต้องฝืนมันไม่ให้ทำตามมันเพราะทำตามมันแล้วก็ไปส่งเสริมมันให้มันมีกำลังมากขึ้นเอาไม่เชื่อลองดูอยากจะสูบบุหรี่ลองสูบแล้วคิดว่าสูบแล้วมันจะหายอยากมันมันหายอยากเดียวๆอ่ะเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผลขึ้นมา ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็เวลามันอยากก็อยากไปสูบมันทุกครั้งที่มันอยากก็อยากไปสูบมันเดี๋ยวต่อไปมันก็หายไปเองเพราะมันรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้สูบมันก็มันรู้จะอยากไปทาไมเหมืนเราไปขอเงินคนอื่นเนี่ยถ้าไปขอแล้วก็ให้เดี๋ยวคราวหน้าก็อยากจะไปขออีกใช่ไถ้าก็ให้อีกก็ไปอีกแต่ถ้าไปแล้วก็ไม่ให้ต่อไปก็ไม่ไปแล้วไปก็รู้ว่าไม่ได้ ความอยากก็เป็นอย่างนี้ต้องอย่าทำตามมันอย่าไปตอบสนองความต้องการของมันวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเครียดเวลาที่เกิดความอยากก็คือให้ใช้สติทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันจะไม่ค่อยเครียดแลวพอใจสงบมันก็จะลืมเรื่องของความอยากนั่นไปใจก็เกิดความอิ่มขึ้นมาจากสมาธิ พอกำลังของสมาธิจางลงไปมันก็อยากขึ้นมาใหม่ก็นั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่กี่ครั้งต่อไปก็เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกกินเหล้าได้เลิกเที่ยวได้เลิกอะไรทุกอย่างได้หมดเมื่อก่อนเราก็เราก็ดื่มแล้วก็สูบแล้วก็เที่ยวเหมือนกันพอเรามาฝึกนั่งสมาธิแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี้ช่วยต้านมันได้เวลาอยากก็ไม่ทำมันยอมบังคับมันมานั่งสมาธิดีกว่า พอมันสงบแล้วความอยากก็หายไปชั่วคราวเดี๋ย ว, วความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาก็กาลังไม่แรงเท่ากับตัวที่แล้วลวมันจะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วไม่นานมันก็จะหมดไปไม่เกินเจ็ดครั้งเราถ้าฝืนมาได้ทั้งเจ็ดครั้งนี่มันมันจะหมดกําลังไปไม่เชื่อลองดูเลยทำอะไรอย่าไปทําตามที่เราชอบดูทั้7เจ็ดครั้งดู เดีมันก็เฉยได้แล้วต่อไปมันก็ใช้ชอบทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ <c oughs> ปัญาก็พวกเราพุทเจ้าแสดงไว้แล้วว่ามันเกิดจากความอยากของเราเองอยากเพราะว่าใจเราไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงมันมันก็เลยอยากหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหล่อเลี้ยงแต่มันไม่ได้เป็นยามันเป็นยาพิษเราไปเอายาพิษมาหล่อเลี้ยงได้มาแล้วมันทําให้เราทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลาได้มาใหม่ๆก็สวยดีไปหมดเดี๋ยวไม่นานมันก็เปลี่ยนละเสื่อมลงไปเก่าละเห็นไหมซื้อโทรศัพท์มาได้ไม่กี่เดือนก็เดี๋ยวก็อยากจะได้เครื่องใหม่ละอยากจะได้ของใหม่ๆของเก่ามันเสื่อมนะ <c oughs> ได้มากิจเครื่องก็เสื่อมเหมือนกัน เดี๋ยวได้หกมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้เจ็เดี๋ยวมีเจ็ดมาก็ต้องเอาเจ็ดแล้วเดี๋ยวเจ็ดมาก็แปดแล้วเนี่ยแคกสิบปีก็คงจะมีรุ่นที่สิบแปดสิบเก้าตามมาค้จาจึงขายได้อยู่เรื่อยๆเพราะความอยากของคนถ้าใช้เหตุผลเนี่ยของต่างๆนี่บางทีขายไม่ออกแล้วเพราะมันยังดีอยู่แต่มันผลิตอะไรนู่นอะไรนี่มาล่อใจว่าดีกว่าของเก่า ดีมันก็ทํางานเหมือนกันเพราะว่านี่มันมีไว้ทำอะไรมันก็มีไว้โทรคุยกันฮนะมันก็มีลูกเล่นแถมมาให้เล่นให้เพิดให้เพลินให้สนุกสนานกับมันแต่จริงๆแล้วก็มีไว้โทรคุยกันนะงั้นะต้องรู้นะว่าศัตรูของเราที่แท้จริงก็คือความอยากของเราเนี่ยความอยากความอยากทําให้เกิดความโกรธเวลาอยากก็ไม่ได้ลองดูไหมจะโกรธไม่โกรธ ไปขอหา อ, อะไรจากใครแล้วก็ไม่ให้เราเนี้ยเรายังรักเขา อ, อยู่เปล่ายังชอบเขา อ, อยู่เปล่าการทำความอยากตามตามความจําเป็นนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่นเวลาถึงเวลาต้องกินข้าวเนี่ยถ้ากินตามเวลาตามความต้องการของร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดความอยากมันก็จะกินเหมือนกิกนยาอย่างนีน้เวลาเรากินยาเราอยากกินไหมไม่อยากกินเนีย แต่ต้องกินเพราะรู้ว่ามันเป็นย า, ากินอาหารก็ให้มันกินเหมือนเป็นยาถ้าไม่กินเดี๋ยวร่างกายมันก็ตายขาดอาหารเนก็กินตามเวลาอย่างนี้ไม่เรียกว่าทําเป็นความอยามันเป็นความจําเป็นถ้ายัางอยากจะยังต้องดูแลร่างกายอยู่ต้องการให้ร่างกายอยู่ต่อไปก็ต้องกินเป็นตามเวลาเนี่นหายใจนี่ต้องหายใจด้วยเปล่าเวลาเราหายใจนี่เราหายใจด้วยความอยากหรืเปล่า เราก็หายใจด้วยความจําเป็นเพราะถ้าเราไม่หายใจร่างกายมันก็ตายเวลาร่างกายต้องการน้ําถ้าไม่ดื่มน้ําเดี๋ยวร่างกายมันก็แย่เราทาไปตามความจําเป็นอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นความอยากแล้วความอยากที่จะรักษาใจก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเป็นความอยากจะเปลี่ยนจากการใช้ร่างกายมาเป็นใช้ธรรมะแทน แทนที่จะพึ่งร่างกายก็มาพึ่งทำแทนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาความอยากมันเป็นเหตุผลมันเป็นความความจริงพึ่งร่างกายไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งของที่พึ่งได้เลพึ่งทำได้ตลอดเวลาสติสมาธิปัญญานี้มันไม่เสื่อมมันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายเหมือนกับร่างกายแล้วผลิตมันขึ้นมาได้ต่อไปแล้วก็ผลิตมันขึ้นมาได้เรื่อย เราสร้างสติได้ต่อไปสติมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ เ, เราสร้างสมาธิขึ้นมาได้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราสร้างปัญญาขึ้นมาได้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจากเราไปเหมือนร่างกายไม่เหมือนกับทรพัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราต้องจากเราไปในที่สุดเวลาเราอาศัยเขาอยู่เวลาเขาจากเราไปเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกลําบาก พระจ้าจึงสอนให้เรามาเปลี่ยนที่พึ่งกันอย่าไปพึ่งของที่มันไม่เที่ยงให้มาพึ่งของที่เที่ยงของที่เที่ยงก็คือธรรมะธรรมังสระนังกระฉามีเนี่ยติตสมาธิปัญญาสีนทานเนี่ยเป็นเป็นธรรมที่จะเป็นที่พึ่งของเรา ทำทานเพื่อเราจะได้รักษาศีลได้รักษาศีลได้เราจะได้ไปปีกวิเวกได้ไปเจริญสติได้ไปนั่งสมาธิได้ไปเจริญปัญญาได้ทำทานเพื่อให้เราลดการพึ่งพาสายเงินทองทั้งที่เอาเงินทองไปซื้อความสุขก็เอาไปทำทานเสียแล้วใจจะได้มีความเมตตา จะรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำบาป ท, ทำกรรมก็วุ่นวายก่อความทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมาอีกถ้าทำทานแล้วใจจะมีความเมตตาจะไม่ชอบทำร้ายผู้อื่นจะไม่อยากทำร้ายผู้ออยากจะช่วยผู้ออยากจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะรักษาศีลได้อย่างสบายรักษาศีลได้ก็ศีลห้าได้ก็รักษาศีลแก็ได้ ักษาศีลแปดได้ก็ไปเปิตไว้เวกอยู่ตามวัดได้อยู่ตามป่าตามเขาไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาไดไ้เป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันสนับสนุนกันทานเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกศีลเป็นบันไดขั้นที่ 2, สองศีลห้าเป็นบันไดขั้นที่ 2, สองศีลแปดเป็นบันไดขั้นที่สามการไปอยู่เปลกไเวก แค่พเพื่อจริำสติสมาธิปัญญาก็เป็นบันไดขั้นที่ห้าหกเจ็ดไปตามลาดับ <c oughs> ถ้าอยากจะเปลี่ยนที่พึ่งจากการพึ่งเงินทองพึ่งของที่ไม่เที่ยงมาพึ่งของที่เที่ยงก็ต้องเปลี่ยนเราใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆถ้ามีเงินเหลือไม่ได้เอาไปใช้ซื้อความสุขก็ไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้อื่นเขา ไปสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไปสนับสนุนองค์กรที่เสริมสร้างความสงบน่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมทาบุญกับวัดทาบุญกับโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยได้ทั้งนั้นคือเราเป้าหมายของเราคือต้องการสละเงินที่เราจะเอาไปใช้ซื้อยาเสพติดซื้อความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ยเลิกซื้อมันซะทีเมื่อเราเลอกใช้เงินแบบนี้มันก็มีเงินเหลือ ถ้ามีเงินเหลือก็อไปทำทานถ้าไม่ต้องเก็บเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องทำมาเหนื่อยยากหาเงินมาแทบเป็นแทบตายเวลาก็หมดไปกับ ก, บการหาเงินใช้เงินเลยไม่มีเวลามาวัดมาปีกเวกมามาสร้างธรรมะให้เป็นที่พึ่งต้องการทําบุญเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินใช้เงินเพื่อที่เราจะได้มีเวลา อาหาก็หาเพียงพออยู่พอกินก็พอเราจะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งใหม่กันสร้างที่พึ่งใหม่ก็คือสติสมาธิปัญญาพอมีสามเกินนี้แล้วก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญแล้วเพราะไม่ต้องใช้เขาแล้ว เมือนเลือกใช้รถยนต์ถ้าเราเลือกใช้รถยนต์ได้สบายรถมันจะติดไม่ติดแล้วมันจะขึ้นไม่ขึ้นรถมันจะเก่าหรือไม่เก่าจะติดแล้วสตาร์ทได้แล้วสตาร์ท ไ, ไม่ได้ก็ช่างหัวมันเราไม่ได้ใช้มันนะแล้เราเดินได้เราใช้ขาเราสองขาดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องพึ่งอะไรใจเราอย่าไปพึ่งอะไรให้มาพึ่งทำพึ่งทำแล้วก็จะสบาย เขาจะไม่ต้องมากังวลกับการสูญเสียกับการเสื่อมกับการอะไรต่างๆมีอะไรมันต้องเสียต้องเสื่อมมีรถยนต์ก็ต้องเสียต้องซ่อมถ้าเสื่อมพังไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่ร่างกายก็ต้องซ่อมมันเวลาปวดฟันก็แสดงว่าต้องไปซ่อมฟันนะเวลาปวดท้องก็ต้องไปซ่อมท้องนะมีเรื่องให้ซ่อมอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้ามีสติสมาธิมีปัญญานี้มันไม่ต้องซ่อมมันมันไม่มีวันเจ็บมันไม่มีวันป่วยทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงก็อย่างว่าจะสินแปดเลยสินห้าก็ยากถ้าจะไม่ทำยากเท่านั้นเนี่ยคนที่เขาทำคนแท้เขาทำได้มันก็ไม่ยากกลับกันแล้วนะนี่ไง เอาเลยถ้ายังไม่พอก็มีจำนวน้หนึ่งนะงนนงถ้ า, ถ, าถึงวันวิสาขาอะไรเนี่ยคงจะลงนะเพราะว่าอาจจะสายหน่อยเพราะว่าต้องไปลงปฏิโมกก่อ น, ไ, นไ ด, อไดอ้อาจจะสองโมงครึ่องอะไรนั้นก็ได้อาจจะช้าหน่อย เพราะาคนเขาก็ต้องมากันวันหยุดเมื่อก่อนนี้ลงไม่ได้เพราะว่ามันเวลากระชั้นชิดเพราะต้องลงลงบ่ายแล้วต้องเย็นก็ต้องลงไปลงเวียนเทียนต่อมันไม่มีเวลาอาบน้ำอาบท่าไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยตัดเรื่องตอนบ่ายนี้ไปแต่ตอนนี้เราไปตัดตอนเย็นแทนก็เลยตอนบ่ายก็ไม่ต้องตัดแย่นี่เราไม่ลงเวียนเทียนแล้วเราขอลาแล้วบอกแก่แล้วเวียนไม่ไหวแล้ว ก็คิดว่าเอาธรรมะดีกว่าพิธีกรรมพิธีกรรมมันน้ำหนักมันเบาวกว่าธรรมะสอนธรรมะคนได้ธรรมะไปนี้ได้ประโยชน์กว่าพาคนเดินเวียนเทียนใครก็เดินเองก็ได้เวียนเทียนไม่ต้องพานําก็ได้แต่ธรรมะนี่ต้องพาต้องสอนเพราะไม่พาไม่สอนก็ไม่รู้กันนี่ร่างกายมันไม่ไหวมันมันยุ่งมาตั้งแต่เช้าตี ตีสี่ตีห้าตืนขึ้นมาก็ไปออกบินบาตมาถึงศาลาก็คนก็เต็มศาลากว่าจะใส่บาตรทาอะไรเสร็จก็เทศต่อยเทศเสร็จพอจะฉันก็กว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงนู่นคนก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆเที่ยงก็ต้องลงปฏิโมกต่อลงปฏิโมกเสร็จก็ต้องกลับมาสองโมงวันนี้ต่อยรอบลงอย่างนี้ไปสี่โมงกว่าห้าโมงก็ต้องรีบไปเดี๋ยวเวียนเทียนหกโมง โอยวันนั้นมันตายไม่มีเวลาหายใจเลยต้องตัดไปแล้วเนะ่คิดว่าพอสมควรแก่เวลา